15. คนใช้ใหม่มาแล้วพูดก็จะว่าขัดคอเรื่องส่งปีเก่าและรับปีใหม่เห็นรอคอยกันนักหนาไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่รู้ว่าปีใหม่จะเอาอะไรติดไม้ติดมือมาฝากหรืออย่างไรบางคนคิดถึงกินเล่าเธอวันปีใหม่ต้องลอกให้เด็ดขาดไปเลยแล้วก็ต้องตั้งหน้าตั้งตากินเล่าจริงๆเคยเห็นมาแล้ว พอถึงวันส่งปีเก่าคือวันที่31ธันวาคมทำท่าว่าจะเป็นคนศรัทธาแรงจะต้อนรับปีใหม่จนถึงหนึ่งนาฬิกาคือจะขออยู่พบปะปฏิสันฐานปีใหม่อย่างสดสดร้อนร้อนพอนาทีแรกมาถึงก็ให้เจอหน้าเราก่อนใครๆถ้าปีใหม่เป็นผู้เป็นคนก็เห็นจะเรียกว่าคอยประจบปีใหม่ พอเริ่มแดดอ่อนลมตกของวันที่สามสิอก็เริ่มตั้งสติจนกว่าปีใหม่จะมาถึงจริงๆก็สิ้นสติเสร็จแล้วพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะพูดกันไม่รู้เรื่องก็เลยกลายเป็นคนเรื่องมากริธรรมสิ่งไม่เป็นเรื่องบางคนฉวยโอกาสเบ่งว่าตัวรู้จักใกล้ชิดกับปีใหม่พากันเดินส่งเสียงอื้ออึงตามถนนหนทางชาวบ้านเขาจะหลับจะนอนก็ไม่มีความสุข บางคนเลยขั้นเสียสุภาพไปเที่ยวก่อเรื่องยุ่งยากต่างๆจนถึงกับเข้าไปนอนในกรงเพราะวันปีใหม่ก็มีที่ถูกงดบาเนต์ความชอบเพราะเรื่องรับปีใหม่ก็มีทุ่มเทเงินต้อนรับปีใหม่จนต้องเที่ยวยืมเงินคนอื่นใช้ตอนปลายเดือนก็มีปีใหม่เอาอะไรมาให้เราหรือความจริงวันคืนเดือนปีนั้นเป็นเรื่องของกันเวลา ซึ่งล่วงเลยไปตามธรรมดาของเขามีมืดมีสว่างมีกลางวันกลางคืนขับไหล่หมุนเวียนกันไปไม่หยุดยัง้งวันคืนเดือนปีไม่มีชื่อไม่มียี่ห้อไม่มีตราไม่มีวันสุภาพไม่มีวันเกเรมนุษย์ต่างหากที่อุปโลกกันขึ้นเองให้เขาเป็นวันอุบาทเป็นวันโลกาวินาทแล้วก็ยุ่งไปเองก็นั่นแหละ ถ้าเป็นคนแล้วมันก็ต้องยุ่งถ้าไม่ยุ่งก็ไม่ใช่คนรู้กันอยู่แล้วไม่ว่าใครจะอุปโลกให้เขาเป็นอะไรก็ตามเขาก็คงเป็นวันคืนเดือนปีของเขาเท่าเดิมวันคืนเดือนปีไม่เคยมีว่าจะรักคนไทยเกล็ดฝรั่งช่างแขกไม่ว่าเราจะส่งหรือไม่ส่งจะรับหรือไม่รับเขาก็หมุนของเขาไปอย่างนี้แหละปีกลายก็อย่างนี้ ปีนี้ก็อย่างนี้แล้วปีหน้าก็คงอย่างนี้อีกกี่ปีกี่ปีก็คงอย่างนี้เขาไม่ได้มาอะไรใยดีอะไรกับเราไม่ว่าปีเก่าเห็นพวกเราจัดงานส่งกันแข็งแรงอาไยอาวร์กันถึงขนาดแล้วก็ผ่านไปอย่างอิดออดช้ากว่าปกติก็หาไม่หรือปีใหม่ได้ข่าวว่าพวกเราเตรียมต้อนรับกันมโหลานจะได้รีบมาถึงเร็วกว่าธรรมดาก็เปล่า เขามาด้วยกัน365วันกับ365คืนสลับกันเข้าคิวกันมาเรียบร้อยวันใครวันมันคืนใครคืนมันไม่ใช่เฮโรสาระพาแย่งกันขึ้นหน้าหรือเกี่ยกันตามหลังเรื่องของเขาเป็นอย่างนี้แล้วอย่างไรอย่ามัวไปอาไลาอาวอนกับปีเก่ามากนะักอย่าไปหลงไหลกับปีใหม่เกินไปจงเป็นห่วงตัวให้มาก การเวลาก็ย่อมคล้อยผ่านทุกคนไปอย่างไม่มีปัญหาใครจะฟ้องร้องอุทธรณ์ดีกาหรือเดินขบวนเรียกร้องให้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่สาเร็จการเวลาเป็นของกลางๆเป็นสมบัติที่มีอยู่ในโลกอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่มีใครกักตุนเอาไว้ซื้อไว้ขายได้สิ่งที่ปีเก่านำมาแจกให้แก่ทุกคนคือความแก่แล้วปีใหม่ก็จะนาสิ่งเดียวกันนี้ มาแจกจ่ายเพิ่มเติมให้เราอีกของที่ว่านี้ใครมีไว้มากๆแย่ทุกคนถ้าเช่นนั้นวันคืนเดือนปีเป็นมหาโจรหรือก็ไม่เชิงการเวลาเขาจะเป็นมหาโจรหรือเป็นเทพเจ้าก็ได้ทั้งสองอย่างแล้วแต่เราเองเวลาวันคืนนั้นถ้าจะว่าแล้วก็เหมือนกับคนใช้365กคนเข้าคิวเรียงหน้ากันเข้ามาให้เราใช้ เขารับใช้คนทุกคนตั้งแต่ในกระท่อมยาจกจนกระทั่งในประสาทราชวังไม่ว่าในบ้านคนสามัญหรือในบ้านคนใหญ่คนโตคงมีวันคืนเรียงหน้ากันเข้าไปรับใช้เท่ากันหมดไม่มีใครได้มากได้น้อยข้อสำคัญมีว่าเมื่อเขามาแล้วเราต้องใช้เขาให้เป็นประโยชน์เพราะว่าเขาจะเลยผ่านเราไปอย่างแน่นอนและสิ่งแน่นอนอีกอย่างหนึ่ง คือเราจะต้องจ่ายสิ่งที่เรารักที่สุดห่วงแหนที่สุดให้เป็นค่าจ้างแก่เขาสิ่งนั้นคืออายุของเราเองบัดนี้คนใช้รุ่น99ของเราเริ่มเรียงหน้ากันเข้ามาแล้วท่านมีแผนงานที่จะใช้เขาแล้วหรื อ, อยัง